ทีนี้ส่วนที่จะกล่าวเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะก็คือคำว่ามีก็คือมีแล้วเกิดบ่อยๆในอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือในอารมณ์ที่เราพอใจเนี่ยนะใครครวนไปแบบนี้คิดแบบนี้บ่อยๆ อ, อันนั้นเรียกว่ากามาฉันทะทีนี้มันจะมีบางขณะที่ไม่มีอยู่เนี่ยนะ เ, เหตุผลสำหรับบางคนเนี่ยไม่มีในขณะนั้นเพราะหลับ เป็นต้นเนี่ยนะหรือเคราะไปมีโทสะหรือไปมีกุศลอย่างอื่นอย่างอื่นที่เป็นกิจกรรมไม่ได้ก่อให้เกิดโลภะอะไรเลยมันก็มีกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละที่จะทำให้ละได้คือในขณะนั้นๆเนี่ยการมาฉันทะไม่เกิดเพราะเขาละได้การละได้นี้ในอัตกาถาอังคุตรนิกายเอกานิบาต พูดถึงว่าผู้ที่ละนิวร์ต่างๆได้เนี่ยนะได้แล้วสามารถไปเกิดได้อีกนะคือด้วยอำนาจของหนึ่งวัดเนีย่ยนะข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายข้อสองด้วยคันธะคันธะ น, นี้หมายถึงศึกษาปริยัตหรือเล่าเรียนอยู่สามด้วยทุดง อันไหสี่ด้วยสมาธิห้าด้วยวิปัสสนาหกด้วยนวกรรมนวกรรมนี้แปลเป็นไทยว่าก่อสร้างนวโดยศัพท์แปลว่าใหม่กรรมก็แปลว่าทาคือทาใหม่ ก็คือก่อสร้างนั่นเองหรือบางท่านในที่เจดนะมาจากพรมที่เรียกว่ามาจากภูมิที่บริสุทธิ์นะนิวรณก็เลยไม่เกิดอันนี้เป็นหัวข้อหลักๆเจ็ด ห, หัวข้อสำหรับผู้ที่ละนิวรณ์ได้คือละการมาฉันทานิวรณได้แต่ละได้แล้วสามารถที่จะเกิดได้อีกอนะ กามาฉันทานิวรจะเกิดเกิดได้ยังไงะนะสุภานิมิตมีอยู่เนะสุภานิมิตมีอยู่สุภานิมิตเหล่านั้นเนี่ยนะคือตัวแบ่งออกเป็นสองคือตัวการมฉันทะเองเ อ, นะอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอารมณ์ที่น่าปรารถนา นนะแล้วก็อาศัยสุภาพนิมิตเหล่านี้ก็เกิดอะโยนิโสมนัสิการขึ้นเนี่ยนะก็มีอโยนิโสมนัสิการในสิ่งเหล่านี้บ่อยๆการมาฉันทะที่ยังไม่เกิดก็ก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ภัยบุ์บริบูรณ์มากยิ่งยิ่งขึ้นไป ข้อความในอังคุตรนิกายเอกนิบาตนิวรณะปะหานวัคที่สองข้อ12นี่กล่าวว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมะอื่นอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งการมฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นแห่งการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนดังสุภนิมิตนี้เลยนี่ไง ดูก่อนพิสุจนทั้งหลายเมื่อบุคคลทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคืออโยนิสโสมนัสการซึ่งสุภพนิมิตเข้าการมาฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นด้วยการมาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้ก็พูดถึงเหตุของเหตุที่จะทำให้เกิดการมาฉันทะในอัตกถาหน้า50เนี่ยนะกล่าวอธิบายว่า การมาฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อภัยบู์จเจริญเต็มที่ด้วยธรรมใดเราไม่มองเห็นธรรมะนั้นอย่างอื่นเหมือนสุภานิมิตเลยนสุภานิมิตนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นอาหารเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ของการมาฉันทะเนี่ย น, นะเรียกว่าปุ๋ยอย่างดีเลย น, นะ ทีนี้คําว่าการมฉันทะท่านอธิบายว่าความพอใจในการมความกําหนัดในการมความเพลิดเพลินในการมความอยากในการมอันใดนี้เรียกว่าการมฉันทะเน้นไปที่ตัวตัณหาจ้ะนะของโยมก็ดูเล่มของโยมเดิมๆนั่นแหละแต่ฟังคําอธิบายที่นี่เอาจ้ะนะใช้อีกเล่มหนึ่งละพอดีในนี้มีเล่มเดียวหัวหน้าชั้นได้คนอื่นอดเลย บทว่าอุปัชติได้แก่บังเกิดคือปรากฏก็การมฉันทะนี้นั้นเพิงทราบว่าที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นด้วยอํานาจความฟุ้งขึ้นเนี่ยนะถ้าถ้าเวลามันจะเกิดมันก็ฟุ้งขึ้นน่ะนะหรือด้วยอารมณ์ที่ยังไม่ได้เสวยจริงอยู่เมื่อว่าโดยประการอื่นการมฉันทะชื่อว่าไม่เกิดขึ้นในสังสาระ อันไม่ปรากฏเบื้องต้นและเบื้องปลายย่อมไม่มีคือถ้าพูดถึงโลภะที่ไม่เคยเกิดนะนะสังสารวัฏเนี่ยมีโลภะไหนบ้างที่ไม่เคยเกิดเหมืนกะันเะเกิดเกิดจนช่ชําชองเลยเรียกว่าอาสวะนั่นแหละในข้อนั้นกิเลสย่อมไม่ฟุ้งขึ้นแก่พิกษุบางรูปด้วยอํานาจวัดเนี่ยนะย่อมไม่ฟุ้งขึ้นแก่พิสุบางรูปด้วยอํานาจคันทะคือปริยัตหรือบางรูปก็ด้วยทุดง บางรูปก็ด้วยสมาธิบางรูปก็ด้วยวิปัสนาบางรูปก็ด้วยนวกรรมคือการก่อสร้างก่อสร้างเเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปเนี่ยนะจะเริ่มกล่าวตั้งแต่เนี่ยที่เขียนให้โดยลำดับเนี่ยนะอธิบายว่าภิกษุบางรูปเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเมื่อภิกษุนั้นกระทาคุถกะวัดคือข้อวัดเล็กแปดสิบสองอันนี้นี้เกี่ยวกับเรื่องปริวาสวัดเป็นต้นนั่นเอง มหาวัดคือข้อวัดใหญ่14มีอาจารยวัดอุปชายวัดเป็นต้นนะหรือวัดในเจดีเนี่ยนะเรียกว่าเจติยังคณวัดวัดในการเช็ดถูดูแลพระเจดีทั้งหลายหรือว่าโพธิยังคณวัดกันนะเก็บใบโพเป็นต้นนะดูแลความสะอาดรดน้ําต้นโพอ่ะหรือปานียะมาลกะวัดอันนี้ก็เกี่ยววัดเกี่ยวกับเรื่องการตั้งน้ําน้ําเอาไว้ใช้เอาไว้ฉันเนี่ยนะ หรือว่าอุโปสถาคารวัดเนี่ยนะวัดในการดูแลโรงอุโบสถหรือว่าในในอุโบสถอาคารตุกะวัดก็คือในการรับพระคันตุกะหรือขมิกวัดเนี่ยนะวัดของผู้เดินทางจะไปะเมื่อประพฤติวัดเหล่านี้กิเลสย่อมไม่ได้โอกาสเพราะขณะนั้นนั้นเป็นการเจริญกุศลอยู่ใช่ไหมในขณะนั้นก็ละกามาฉันทะโดยแต่ทางคะแต่ครั้นต่อมาเมื่อเธอสละวัด มีวัดแตกแล้วเที่ยวไปอาศัยการสายใจโดยไม่เยบคายและการปล่อยสติกิเลสย่อมเกิดขึ้นเนี่ยนะแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ฟุ้งขึ้นก็ชื่อว่าย่อมเกิดขึ้นคือตอนที่บําเพ็ญกุศลศีลอยู่นะวัดปฏิบัติทั้งหลายเป็นกุศลศีลใช่ไหมขณะที่เจริญศีลกุศลอยู่กิเลสก็ไม่เกิดทีนี้พอ ทอดทิ้งแล้วไม่คิดถึงศีลแล้วนะไม่คิดถึงวัดไม่คิดถึงข้อปฏิบัติแล้วอโยนิโสก็ไปคิดในสิ่งที่ตัวเองชอบนะถ้าพูดสำนวนสมัยใหม่หน่อยก็บอกว่าแม่ตอนแรกก็ปัดกวาดเช็ดถูพระเจดียเรียบร้อยดีแม่เลื่อมสายมากอีกพักเดียวไปนั่งเปิดทีวีดูเพลินไปเลยกันนี่แค่นี้แหละนะการมาฉันท่าเลยพอกพูนเลยนะ บางรูปเป็นผู้ประกอบด้วยคันทะคือปริยัติเนี่ยนะเรียนหนึ่งนิกายบ้างนสองนิกายบ้างสามนิกายบ้างสี่นิกายบ้างห้านิกายบ้างห้านิกายก็ทรงพระตัยปิดกเลยอยนะเมื่อเธอเรียนท่องบนบอกแสดงประกาศพุทธพจน์คือปิดกสามด้วยอำนาจอัตทะคือความหมายด้วยอำนาจบาลีคือพุทธพจน์ด้วยอำนาจอนุสนธิคือการเชื่อมต่อกัน ด้วยนาจอักษรเบื้องต้นเบื้องปลายเหว่าถ้าขึ้นอย่างนี้จบอย่างนี้เถ้าถ้าจบอย่างนี้ขึ้นต้องขึ้นมาจากเรื่องอย่างนี้ผู้ที่เรียนมาจริงๆเขาจะรู้กิเลสย่อมไม่ได้โอกาสคือเวลาศึกษาพระธรรมคำสอนท่องหนังสือท่องบนเนี่ยนะต่อเมื่อละการเล่าเรียนเกียรตครานเที่ยวไปอยู่อาศัยอายุนิโสมนัิการและการปล่อยสติกิเลสย่อมเกิดขึ้น เมื่อเป็นอย่างนี้กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ฟุ้งขึ้นก็เชื่อว่าย่อมเกิดขึ้นตอนแรกก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะกุศลในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนคุ้มครองเอาไว้อย่างนั้นพอเลิกคิดถึงคำสอนก็ปล่อยจิต น, นิวรณ์ก็เลยท่วมทับเลยแต่บางรูปเป็นผู้ทรงธุดงสมาทานธุดงคุณสิบสามประพฤติอยู่ เมื่อเธอบริหารคือรักษาทุดงคุณอยู่กิเลสย่อมไม่ได้โอกาสเพราะว่าทุดงนี้ก็แปลว่าองค์ธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลาอยู่แล้วในขณะที่ขัดเกลาอย่างนี้อยู่อกุศลก็ไม่กลุ่มรุมแต่ต่อมาเมื่อเธอสละทุดงเวียนมาเพื่อความมากักมากประพฤติอยู่อาศัยอโยนิโสมนสิการและการปล่อยสติกิเลสย่อมเกิดขึ้นแม้เมื่อเป็นอย่างนี้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ฟุ้งขึ้นก็ชื่อว่า ย่อมเกิดขึ้น น, นะก็อย่างตอนที่บริหารรักษาธุดงอยู่นี่ก็กุศ ล, ลจิตเกิดมาก น, นะพอทิ้งธุดงเมื่อไหร่นนะนิวรก็เข้ามาแทนที่อีกแล้วคือจิตของปุถุชนเป็นอย่างนี้แหละถ้าตอนไหนที่เป็นไปกับกุศลไปก็กุศลก็เกิดกิเลสก็ไม่เกิดพอกุศลเลิกเกิดกิเลสก็เกิด <c oughs> ก็ก็มีอยู่สลับคร่าเข้ากันอยู่เท่านี้แหละกุศลบ้าง อกุศลเนี่ยไม่บ้างอ่ะหนาเลยนะแล้วนานๆนมาอีกกุศลบ้างอีกครั้งหนึ่งนะก็อยู่อย่างี้แหละบางรูปมีความชำนาญที่สั่งสมเอาไว้ในสมาบัตร8นะนะก็คือสมาธินะพวกอบรมสมาธิมากเมื่อเธอประกอบเนืองๆในประถมฌานเป็นต้นคือฌานที่หนึ่งสองสาสี่หรืออรูปฌานสี่ ด้วยอำนาจว่สีห้ามีชำนาญในการเข้ามีชำนาญในการออกมีชำนาญในการนึกะนะมีชำนาญในการพิจรนารณาเนี่ยนะช่วงที่เกี่ยวข้องเจริญพอกพูนสมถะอยู่อย่างนี้นิวรนก็ไม่เกิดเลยการมาฉันทะก็ไม่เกิดแต่ต่อมาเมื่อเธอเสื่อมชานหรือสลัดชานเสียประกอบเนืองๆในกิจมีการชอบคุยเป็นต้นเนี่ยนะพอได้ชานมาแล้ว ชำนาญระดับหนึ่งเลยนะหลังจากนั้นก็ไม่คิดถึงฌานแล้วนะคิดถึงเรื่องคุยแทนอายนิสโสมนสิการเกิดปล่อยสติกิเลสก็ย่อมเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดอย่างนี้แหละแม้แต่ผู้ที่ได้สมถะแล้วเนี่ยนะถ้าประมาทก็ก็เสื่อมอายุนิสโสมนสิการเกิดก็เสื่อมผมเท <c oughs> ่านี้อ่านดูนะฮะที่ บางแห่งเขาเพ่งเล็งเรื่องเรื่องโลภะเนี่ยแม้ที่พระแทบจะทุกขนาดจิตก็ตีไปเป็นโลภะหมดเลยนะแต่ว่าพราะอ่านในคำพีเนี่ยท่านท่านไม่ค่อยพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยท่านจะพูดถึงตัวการมาจารันทะรู้สึกจะเป็นเรื่องใหญ่ๆ ห, ห, หรือทำนองนั้นไม่ไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดหรือถูกคือเน้นไอ้ตัวใหญ่ก่อนนะนะคือวิทยาธิบายทางธรรมะเนี่ยนะท่านจะอธิบายในสิ่งที่มันมันหยาบๆก่อนนะนะ แล้วค่อยๆลงละเอียดมาเรื่อยๆเรื่อยๆรย ๆ, ๆ, ๆจะเป็นลักษณะ น, นี้เนี่ยนะแต่ของเราขึ้นในที่ละเอียดยิบเลยนะเราเรียนมาป้าเพรมือมือเอื้อมไปหยิบน้ํานี่เป็นโลภ ะ, ะแล้วเนนนี่ยแล้วก็ทําให้โอ้โหอะไรมาทำอะไรลําบากมากเลยนจนความมันของเราก็เลยมาเรียนเรื่องกุศลก่อนไงเนี่ยนะถ้าเรียนขึ้นต้นด้วยอกุศลนะทำอะไรมอาอกุศลหมดเละ น, นะก็เรียนให้กุศลและจิตมันเกิดมากมก่อนนะสังวรมากขึ้นเอออันนี้ก็เป็นอากุศลนะค่อยๆละไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ ไ, ไมด้ปฏิเสธนะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่โลภะดฏิเสแต่ทีนี้การการแสดงของพระธรรมเนี่ยนะเน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปรธรรมชัดเจนคือจะพูดในสิ่งที่พอทําได้ก่อนนั่นนะคือจะไม่พูดในสิ่งที่ทําไม่ได้เลยนะขึ้นต้นเอากิเลสพระ้หาหันที่ท่านละได้แล้วมาพูดอย่างนี้มันก็ ไม่ใช่ฐานนะนะคนพูดหมดคนฟังนี่หมดกําลังใจหมดเล ย, ยนะมันก็จะพูดในสิ่งที่เขาทําได้ก่อนที่ที่ผมกล่าวเช่นนี้จะเห็นว่าในคมภีร์จะกล่าวถึงตัวนิมิตว่าเป็นสุภาะหรือว่าเป็นปฏิฆานิมิตพูดไปชัดเจนใช่ไหมฮะแต่จะไม่ค่อยพูดถึงพวกที่ที่เป็นนิมิตที่เป็นธรรมดาธรรมดาน่ะยังไม่พูดถึงอุเบกขานิมิตอุเบกขานิมิต แต่จ ะ, จะพูดว่าถ้าเป็นสุภาแล้วก็นัต่สุภามักก่มากก็หมายความว่าการมาฉันทาก็เกิดได้าได้มากต่อไปนะว่าอันหนึ่งบางรูปเป็นผู้เจริญวิปัสนากระทํากิจในอนุปัสนาเจตเนี่นยนะก็คือได้ปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะเลยแหละเนี่นยนะตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงละความสําคัญว่าเที่ยงโดยแต่ทางฆ่าได้เนี่น ย, นยนะทั้งอนุปัสนาเจตเลย และมหาวิปัสนา18อยู่ น, นะก็ถ้าว่าโดยรวมๆก็ได้น่นแหละถึงระดับสังขารุเปกขายาม น, นู่นแหละเมื่อเธออยู่อย่างนี้กิเลสย่อมไม่ได้โอกาสแต่ต่อมาเมื่อเธอละกิจในวิปัสนามุ่งไปในการทำร่างกายให้แข็งแรงคือเวลาอาจจะช่วงเจริญอยู่สุขภาพไม่ค่อยดีนะก็เลยตอนหลังก็มาเน้นเอ๊มีอะไรที่จะมาพอบำรุงร่างกายบ้างห มีอาหารชีวจิตบ้างไหมมีโน่นมีนี่ก็คิดไปเรื่อยแหละคับนี้ก็เลยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องอาหารอย่างเดียวเลยไม่ฟังแล้ววิปัสนาเนี่ยนะฟังแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวเหมือนกันเถอะทำยังไงสุขภาพจะแข็ ง, ขงแรงขึ้นน่ะนะบางท่านก็แหมเปิดดิทยุฟังแต่เรื่องเนี่ยเปิดท้าแต่ไอีคลื่นอาหารนี่แหละทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละเห็นไหมใครพูดเรื่องอาหารไม่ได้เลยหมุนฟังอยู่นั่ น, นี่หูฟังจนเห็นไหมเลืมวิปัสนามหมดเลยครับนี้ ก็เลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการปล่อยสติกิเลสย่อมเกิดขึ้นแม้เมื่อเป็นอย่างนี้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ฟุ้งขึ้นก็ชื่อว่าย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมเจริญวิปัสสนาพิจารณากายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพอป่วยเข้าหน่อยแล้วคันนี้เดือดร้อนแล้วนะคิดแต่เรื่องอยู่เรื่องยาเลยลืมเลยคันนี้ลืมว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆนะทีนี้ต่อไปว่าบางรูปเป็นผู้ประกอบ งานนวกรรมคือให้สร้างอุโบสถและโรงฉันเป็นต้นนไคือเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องการก่อสร้างเนะเมื่อเธอกําลังคิดถึงเครื่องอุปกรณ์ของโรงอุโบสถเป็นต้นเหล่านั้นอยู่กิเลสย่อมไม่ได้โอกาสครั้นต่อมาเมื่องานนวกรรมของเธอเสร็จแล้วหรือทอดทิ้งเสียอาศัยอโยนิโสมนสิการและการปล่อยสติกิเลสก็เกิดขึ้นแม้เมื่อเป็นอย่างนี้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ฟุ้งขึ้นก็ชื่อว่า ย่มเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะช่วงการก่อสร้างอาจจะเน้นทําเพื่อพุทธบูชาเป็นต้นนะนะบาปอคุศลช่วงนั้นก็เลยไม่ได้กลุ่มร่มอะไรทีนี้สร้างไปสร้างมามันหมดวัตถุสร้างแล้วนี้เดือดร้อนละกิเลสเกิดอีกละอันหนึ่งบางรูปมาแต่พรหมโลกเป็นสัตว์บริสุทธิ์เพราะตอนนี้ไม่มีการซ่องเสพมาก่อนกิเลสจึงไม่ได้โอกาสคือก่อนหน้านี้พบก่อนก่อนเนี่ยนะเอ่อ นิวรนการมาฉันท่านิวรนไม่ท่วมทับอะไรเลยเพราะฉะนั้นมาเกิดในพอบหลังกิเลสมันก็เลยไม่เกิดแต่ครั้นต่อมาได้การซ่องเสพอาศัยอโยนิโสมนัสิการและการปล่อยสติกิเลสย่อมเกิดขึ้นแม้เมื่อเป็นอย่างนี้กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ฟุ้งขึ้นก็เชื่อว่าย่อมเกิดขึ้นเพิงทราบความเกิดขึ้นแห่งกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ฟุ้งขึ้นด้วยประการอย่างนี้ก่อนนะ ตรงนี้พูดในชาดกมีบางเรื่องพูดถึงพระโพธิสัตว์มีอยู่ชาติหนึ่งนะท่านมาจากพรหมโลกเกิดเป็นพระราชโอรสของพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยทีนี้เป็นโอรสที่แปลกก็ว่าไม่ถ้ารู้ว่าสัมผัสเป็นหญิงปั๊บจะร้องให้เพราะฉะนั้นเวลาจะดื่มนมเนี่ยนะต้องแม่นมต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายก่อนจึงจะดื่มนมได้เนี่ยนะจึงจะดื่มนม แต่แล้วแต่ก็เจริญเติบโตมาเนี่ยไม่อยากเห็นผู้หญิงไม่อยากอะไรทั้งนั้นแหละก็อยู่เงียบๆแล้วทําชานด้วยนะเจริญฌานเจริญอะไรพอนี่ยเดือดร้อนนะเอ้เนี่วงเราก็เสียหายทีนี่ลูกชายคนเดียวด้วยเห็นไหมไม่อยากเจอผู้หญิงทํำยังไงก็เลยประกาศบอกใครก็ได้ที่ทําให้ให้ลูกชายเนี่ยชอบนะจะยกให้เป็นมเหสีเลยว่างั้นก็เลยคนโน้นก็พากันเข้าออไปก็ถูกตะเพิดออกมาหมดเลย มีเจ้าหนึ่งฉลาดมากก็เลยเริ่มไปดีดดนตรีใกล้ๆก่อนทีนี้นานๆเข้านานๆเข้าก็กิเลสค่อยๆเกิดขึ้นเลยนะเริ่มชอบตับเสียงเพลงมาก่อนใช่ไหมก็ชอบตอนหลังก็กิเลสก็กลุ่มลมพอกิเลสกลุ้มรมเต็มที่ที่สุดแล้วนะก็เลยถือดาบอันหนึ่งเลยนะผู้ชายอื่นอย่ามาได้ยุ่งกับเรื่องนี้เลยมันชั้นคนเดียวพอละนะถือดาบเอาเที่ยวฆ่าคนอื่นเลยใช่ไหมพระราชาเลยในประเทศไปอยู่ที่อื่นเลย นะอันนี้เกินไปอีกนะตอนแรกก็ไม่เกิดเลยนะตอนหลังก็เกินพวกเกินพ้องก็ไปหมดเลยนะคล้ายๆกับแบบพวกที่เกิดมาไม่เคยดื่มสุราอะไรเลยนะคนอื่นก็มาให้ดื่มทีละนิดทีละนิ ด, น, ดนานๆเข้าเนี่ยเป็นหัวหน้าเองเลยงี้ยลักษณะนี้แหละ <c oughs> กิเลสที่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์ที่ยังไม่เคยเสวยเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปย่อมได้อารมณ์มีรูป ที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเป็นต้นที่ตนเคยได้เสวยอาศัยอโยนิสโสมนสิการและการปล่อยสติไปในอารมณ์นั้นราคาย่อมเกิดขึ้นแกพิสูนนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดเพราะอารมณ์ที่ยังไม่เคยเสวยเชื่อว่าย่อมเกิดขึ้นนะคือไปเจออิทธารมที่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะไปเห็นแล้วก็ปล่อยใจนึกชอบไปเรื่อย ๆ, ๆบาปอากุศลก็พอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นพ บทว่าวิปุลายะได้แก่เพื่อความภัยบูนคือเพื่อความเป็นกองอะางี้ยเถอะคำว่ากองก็มาจากขันมันเกิดบ่อยๆเกิดซ้ําๆซักๆเกิดเป็นอัธยาศัยไปเลยอัธยาศัยของผู้ที่เกิดร่วมกับโลภะแบบนี้เรียกว่าการมัธยาศายัย น, นะอัธยาศายัยอย่างนี้เรียกว่าอัธยาศัยเลวเนี่ยนะในข้อนั้นข้อที่ว่าการมฉันทะเกิดขึ้นคราวเดียวแล้วจักดับ หรือดับไปคราวเดียวจักไม่เกิดขึ้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ใช่มมันเกิดมาแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเลยอันนี้ไม่ใช่แน่ใช่ไหมคือมันเกิดแค่ครั้งเดียวนะหรือว่ามันเกิดแล้วพอมันดับแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอันนี้ไม่ใช่ฐานะก็เมื่อการมาฉันทะอย่างหนึ่งดับไปแล้วการมาฉันทะเมื่อเกิดสืบสืบไปในอารมณ์นั้นหรืออารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่ง ชื่อว่าย่อมเป็นไปเพื่อมียิ่งขึ้นเพื่อความไพบูนขึ้นตอนแรกก็อย่าคิดว่าจะชอบแป๊บเดียวแล้วจะเลิกนะไม่นะก็ชอบซ้ำซ้ำๆ้ทีนี้ไปชอบเปลี่ยนไปเรื่อยเร่อยรืยก็เลยตันหานี่เหมือนกับมหาสมุทรนะนะไม่มีถมเต็มอะ่ะนะเพิ่มไปเหอะเนี่ยนะทีแรกว่ า, าได้แค่นี้ก็พอละนะก็เพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเร่อยเรยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถมไม่พอเรียกว่าหนึ่งกองไฟ นนะจะหาฟืนมาเพิ่มเพื่อจะดับไฟเนี่ยนะอันนี้ก็ดับไม่ได้โดยการเพิ่มฟืนก็บอกมาหาสมุดเหมือนกันเนี่ยนะจะหาน้ำไปถมให้มาหาสมุดเนี่ยเต็มให้หมดเลยก็ถมไม่เต็มอันนะก็บอกแล้วคนมากๆก็เหมือนกันเขาว่ากันจะขนให้เป็นเล่มเกวียนก็ไม่รู้จักพอเขาว่ากันเพราะพวกนี้ถมไม่เต็มทั้งนั้นแหละบทว่าสุภาิมิตได้แก่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งราคะ น, น ะ, ะคำว่านิมิตก่อนนะโดยสับอันนี้พูดถึงพยัญชนะนะในพระไตรปิฎกนี้นิมิตเนี่ยมีหลายความหมายด้วยกันในแต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่เหมือนกันบางแห่งคําว่านิมิตนี่เป็นชื่อของปัจจัยนะคำว่านิมิตนะเป็นชื่อของปัจจัยเช่นพุทธพจน์ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอกุศล บ, บาประธรรมที่มีปัจจัยย่อมเกิดขึ้นที่ไม่มีปัจจัยหาเกิดขึ้นไม่ อันนี้มาจากศัพท์เดิมจริงๆว่านิมิตเหมือนกันคืออากุศลนี่ถ้ามีนิมิตนะมันจึงเกิดถ้าไม่ได้นิมิตมันไม่เกิดพูดถึงว่าคนถ้าจะทําชั่วมันต้องมีเหตุมันจึงทําชั่วใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆทำชั่วเลยไม่ใช่มันได้เหตุก่อนมันจึงทําชั่วนี่ก็เหมือนกันอากุศลนะจะต้องได้ปัจจยัยอกุศลจึงจะเกิดนี่ก็มาจากสั์ว่านิมิตหรือศัพ์ว่านิมิตนี้แปลว่าเหตุก็ได้เนี่ยนะแปลว่าเหตุนนในบางสูตรก็พูดถึงว่า ผู้มนสิการหรือผู้ที่บําเพ็ญอธิจิตศิขาเนี่ยนะบำเพ็ญอธิจิตเนี่ยเพิ่งใส่ใจถึงนิมิตห้าตามการอันควรนิมิตตัวนั้นแปลว่าเหตุเหตุทั้งห้านะหรือคําว่านิมิตบางบางแห่งก็แปลว่าสมาธิเนี่ยนะแปลว่าสมาธิเหมือนกันนะเช่นซ่องเสพเจริญให้มากซึ่งนิมิตนั้นก็คือพอสมาธิเกิดก็ทําสมาธิให้มันเกิดบ่อยๆมากๆขึ้น หังคําว่านิมิตตรงนั้นแปลว่าสมาธิสมาธินิมิตก็แปลแปลว่านิมิตนั้นแปลว่าสมาธิเนี่ย น, นะหมายถึงตัวนิมิตแต่ถ้าบางบางศัพท์เน้นไปที่อารมณ์อ่ะนะอย่างที่สี่นี้คําว่านิมิตเป็นชื่อของวิปัสสนาก็มีอย่างในพระสูตรว่าเมื่อภิกษุอาศัยวิปัสสนาใดมานัสการวิปัสสนาใดอาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปเรื่อยๆ อันนะั้มาจากคําว่านิมิตเหมือนกันวิปัสนาตัวนั้นเนี่ยมาจากศัพท์ว่านิมิตอันนิมิตตรงนี้แปลว่าวิปัสนาแต่ในที่นี้คือสุภาพนิมิตที่พูดถึงนี้เป็นชื่อของอิทถารมอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะเพราะฉนั้นศัพท์ว่านิมิตนี้มีหลายความหมายแต่สุภาพนิมิตในที่นี้ประสงค์เอาอารมณ์ใดก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะ อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะชื่อว่าสุภนิมิตเนี่ยนะคำว่าอายนิโสก็รู้กันนะนะสายใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่งามว่างามเนี่ยนะจริงๆแล้วเราเป็นอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นซะโดยมากเลยนะคิดตรงกันข้ามกับความจริงซะเกือบหมดเลย นั่งรถมานึกถึงสูตรอยู่สูตรหนึ่งว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนกับไข่บางอันเหมือนกับไข่จริงๆอ่ะนะนี่นึกถึงไอ้พุทธพจน์นี่นะถ้านั่งอยู่อย่างเงี้นึกไม่ค่อยออกว่าเหมือนกับไข่อย่างไงทีนี้ไอ้ตอนรถเยอะๆแล้วมีรถเครื่องอ่ะนะปาดไปปาดมาเนี่ยนะถ้ามันเฉี่ยวหรือมันล้มเข้าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันเหมือนไข่จริงๆริงเลยนะอะไรได้เลือดได้เนื้อแน่นอนอ่ะนะนะตอนรถติดๆ แ, ๆแน่นๆเนี่ยนะถ้าใครล้มโครมตรงนั้นเนะี่ย โอ oh, เหมือนไข่จริงๆเลยแหละคำว่าอะโยนิสโสมน ส, สิการก็คือการรำพึงถึงการคำนึงถึงเนืองๆการผูกใจการประมวลจิตด้วยสิ่งอันเป็นปฏิกูลที่ปราศ จ, จากความจริงแม้นี้ก็เรียกว่าการใส่ใจโดยไม่เยบคายนะคืออากุศลเนี่ยนะไอคำว่าอะโยนิสโสเนี่ยบางทีอ่ะควรจะ ควรจะคิดในควรจะมองในด้านดีกลับไปมองในด้านลบนะอันนี้ก็ชื่อว่าอโยนิโสเหมือนกันนะเช่นเขาทําถูกแต่เราสําคัญว่าเขาทําผิดเนี่ยนะคือสัตว์ทั้งหลายควรที่จะเจริญเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาแต่กลับไปเจริญตรงกันข้ามกับพรหมวิหารคือโทสะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอโยนิโสมนสิการเหมือนกันซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในพยาบาทนิวรณ ที่กล่าวไปเน้นไปว่านี่วอนที่ยังไม่เกิดก็ก็เกิดขึ้น